บัดนี้จกแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องตน้นก็ขอให้ทุกๆ ท, ท่านตั้งใจนอบนอบ้อมนมั ส, สการพระภูมิพระพาก อรหันตสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจาให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม สวากาโตภกวตาธรรมโมธรรมะอันประภูมิประภาคเจ้าตรัส ด, ดีแล้วสันณิิโกอันภูปฏิบัติผูได้บรรลุหรือรวมเรียกว่าวินโยภูรู้พึงรู้ เฉพาะหรือวินยูพึงเห็นได้เองอากาลิโกไม่ประกอบในการเวลาเอฮิปัสติโกควรเรียกให้มาดูโอปันญิโกควรน้อมเข้ามา ปัจจัตตังเวดิตะโบวินยูหิอันวินยูคือผู้รู้พึงรู้เฉพาะตนอันวินยูคือผู้รู้นี้ ก, ก็คือผู้ที่ปฏิบัติทมสติและปัญญาให้บังเกิดขึ้นในธรรมด้วยการ ปฏิบัติทำสติปัฏฐานคือตั้งสติในกายเวทนาจิตธรรมปฏิบัติทำโพธชงซึ่งเป็นองค์ขคุณแห่งความรู้ให้มันเกิดขึ้นตามหลักโพธชงเจ็ดตั้งแต่สติที่เพื่อรู้ ทางปัญญาจนถึงอุมเบกขาความเข้าเพ่งสงบอยู่ในภายในด้วยความรู้สงบอันเป็นภาวะที่จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิและเป็นภาวะที่ รู้สงบอยู่ไม่ยึดถืออะไระไรเป็นภูดูเป็นผู้รู้อยู่ในภายในและเมื่อเป็นอุเบกขาสมโพธชงก็น้อมจิตที่เป็นอุเบกานี้เพื่อรู้สงบอันเป็น ภาวะที่จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิและเป็นภาวะที่รู้สงบอยู่ไม่ยึดถืออะไรอะไรเป็นภูดูเป็นผู้รู้อยู่ในภายในและเมื่อเป็นอุเบกขาสมโพธชงก็น้อม ที่เป็นอุเบกขานีเพื่อรู้ขันห้าเป็นทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกก็เลื่อนชั้นของความรู้ขึ้นเป็นรู้ในสัจจะซึ่งจะพบทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกจากขันห้าที่น้อมจิตเพื่อรู้ และเมื่ออาศัยอธิบายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเหมือนอย่างพระพุทธเจา้าได้เสด็จมาโปรดแสดงทาอยู่จำเพาะหน้าว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ซึ่งเป็นสภา ว, วะทุกข์ทุ ก, ทกตามสภาพจนถึงกล่าวโดยย่อ ขันเป็นที่ยึดถือตั้งห้าประการอันเรียวกวูปาทานขันขันเป็นที่ยึดถือเป็นทุกข์ก็คือรูปประขันกองรูปก็ดูรูปประกายนี่ที่ตนเวทนาขันเป็นทุกข์ก็ดูก็ดูเวทนานห้ที่ตน สัญญาขันเป็นทุกข์ก็ดูสัญญานี่ที่จสังขารขันเป็นทุกข์ก็ดูสังขารความคิดปรงุงหรือปรุงคิดที่จนวิญญาณขันเป็นทุกข์ก็ดูวิญญาณขันวิญญาณความ รู้เห็นรู้ได้ยินรู้ทราบกลิ่นทราบรสทราบผลพะ ร, รู้เรื่องที่ใจคิดที่ตนพระพุทธเจ้าลัดบารู ป, ประขันก็ดูรู ป, ประขันที่ตนเป็นต้นดังนี้ก็จะได้ เห็นว่ารูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้วิญญาณเป็นอย่างนี้และเมื่อดูเห็นพบขันห้าที่ตนเองดังนี้ก็ย่อมจะ ได้เห็นได้พบความเป็นไปของขันทาที่ตนพระพุทธเจ้าได้ตรัสบอกอีกว่าความเกิดขึ้นของรูปของเวทนาของสัญญาของสังขารของบิญญาณอย่างนี้ ก็ดูที่ขันห้าที่ตนเองดังกล่าวความเกิดขึ้นของขันห้าที่ตนเองก็จะปรากฏพระพุท ธ, ธเจ้าตรสัสสอนว่าความดับของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้ก็ดูที่ขันห้าที่ตนเองความดับ ของขันท่าที่ตนเองก็จะปรากฏเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงเป็นสรณะคือที่พึ่งก็เป็นที่พึ่งอย่างนี้และที่พระพุทธเจ้าตเด็จมาบอกนี้ก็โดยที่ได้ระลึกถึง คำสั่งสอนที่รู้งพ่อเจ้าได้ตรัสสั่งสอนไว้ดังกล่าวและในขณะที่ปฏิบัติเมื่อถึงขั้นตอนที่เป็นตัวปัญญาหากปัญญาของตนเองยังไม่อาจที่จะก้าวไปเข้าถึงได้ก็ต้องอาศัย พระพุทธเจ้าเป็นสาระคือที่พึงระลึกได้ถึงคำสั่งสอนที่ทรงสั่งสอนไว้อันได้ฟังได้อ่านได้กาหนดไว้ในใจแล้วจึงเป็นเหมือนอย่างเสด็จมาสอนมาตืน่นและลักษณะดังที่กล่าวมานี้ได้มีแสดงไว้ ในตำนานทางพระพุทธศาสนาถึงพระภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมบางรูปที่เมื่อได้ปฏิบัติธรรมจิตได้ล่วงเข้าไปถึงประตูของความตรัสรู้หรือของ ความเห็นธรรมแต่ว่าอาศัยที่ปัญญายังอ่อนยังไม่อาจที่จะก้าวเข้าไปได้ท่านก็ปรากฏเห็นพระพุทธเจ้ามาตรัส บ, บอกธรรมะและเมื่อได้ฟังพระพุทธเจ้าตรัส บ, บอกธรรมะแล้วก็ได้เป็นก็ได้ปัญญาเห็นธรรม จิตอันประกอบด้วยปัญญาก็ล่วงเข้าไปสู่ประตูของธรรมะได้เห็นธรรมได้แม้ผู้ปฏิบัติในปัจจุบันนี้พิจารณาดูแล้วก็เช่นเดียวกันลำพังปัญญาของตนเองยังไม่อาจที่จะล่วงประตูของธรรมะเข้าไปได้ ก็ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นสาระคือที่พึงก็คือระลึกถึงธรรมะที่ทรงสั่งสอนและพิจารณาไปธรรมะที่ทรงสั่งสอนน้อมเข้ามาดูที่ตนตามที่ทรงสั่งสอนโดยอาศัยคำสั่งสอนของพระองค์เหมือนอย่าง ดวงประทิที่ส่องให้มองเห็นทางก็ลืมตาดูก็จะเห็นทางเห็นทางดำเนินเ้าไปสู่ธรรมะเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมะที่เป็นสาวกับโภมโภมแห่งพระสาวก ทุกท่านตั้งดต่ครั้งพุทธการมาจนปัจจุบันยังต้องอาศัยประทีบพระพุทธเจ้าทรงส่องให้มองเห็นทางและผู้ปฏิบัติทุกคนก็มีดวงตาเมื่อลืมตาขึ้นก็จะเห็นทางปฏิบัติได้และก็ดำเนินไปได้ แต่ทั้งนี้ก็จะต้องปฏิบัติให้ดวงตาที่จะมองเห็นทางนี้เป็นดวงตาที่แจ่มใสและเป็นดวงตาที่ลืมตามองดูและดวงตาที่จะแจ่มใสและลืมตามองดูนั้นก็จะต้องเป็นดวงตาที่ใดชำระล้าง จากเครื่องปกปิดทั้งหลายโดยสติปฐานโดยโพชงมาโดยลำดับและเมื่อผ่านสติปทานผ่านโพชงแล้วยังจะมองเห็นทางเข้าประตูของธรรมะได้พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้โดยปริยายเป็นอันมากว่าขันห้านั้น แต่ละข้อมีลักษณะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความเกิดขึ้นของขันห้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ความหลับของขันห้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นตามที่ทรงสั่งสอนไวน้นี้ต้องอาศัยสติที่ระลึกได้ว่าทรงสั่งสอนไว้อย่างนี้อย่างนี้และก็ น้อมเขามาดูที่ตนเป็นธรรมวิจัยที่ตนเลือกเว้นธรรมที่ตนให้รู้ว่าที่ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นั่นคืออย่างไหนบ้างอย่างไหนบ้างเพราะฉะนั้นเมื่ออาศัยพระพุทธเจา้าทรงเป็นมรคุเทศคือภูนําทางชูดวงประทีปส่องให้มองเห็นทางดังนี้ จึงปฏิบัติเข้าสู่ทางได้เห็นทุกขจักระสภาพที่จริงคือทุกตามที่ตรัสสอนไว้ได้ว่าเป็นทุกอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งลักษณะของความที่เป็นทุกอย่างนี้อย่างนี้นั้นท่านพระสาริบุตรได้แสดงสรุปเข้ามาเป็นสามคือทุกขะ ท, ทุกขตา ความเป็นทุกข์คือทุกข์สังขาระทุกขตาความเป็นทุกข์คือสังขารวิปริณามะทุกข์ความเป็นทุกข์คือวิปรณิณามะข้อแรกเมื่อพิจารณาดูแล้วก็จะทําให้เข้าใจได้ว่า ความเป็นทุกข์คือทุกข์นั้นก็ในความว่าแก่ความเป็นทุกข์คือทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้นั่นเองว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เป็นต้นสรุปลงก็คือขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการเป็นทุกข์ นี่คือทุกขทุก ข, กขตาความเป็นทุกข์คือทุกข์จึงมาถึงข้อสองสังขารทุกขตาความเป็นทุกข์คือสังขารก็คือสรุปเข้าทั้งหมดได้ในคําเรียกว่าสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งความผสมปรุงแต่งสิ่งผสมปรุงแต่ง เรียกว่าเป็นสังขารทั้งหมดและสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้นไม่ว่าอะไรท้งนั้นจึงเป็นทุกข์ทั้งหมดความผสมปรุงแต่งก็เช่นเดียวกันก็เป็นทุกข์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นลูกพระเจ้าจึงได้ตรัสแสดงเมื่อชี้แจงจำแนกทุกข์เป็นอย่างๆไป ตามอาการที่ปรากฏแล้วจึงได้รวมเข้ามาในขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการตัวขันห้านั้นก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งนั้นรูปก็เป็นสิ่งผสมก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งข้ออื่นๆก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งจึงรวมเข้าในคำมาสังขารทั้งหมดแม้อุปาทานความยึดถือ ก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งก็รวมเข้าในสังขารทั้งหมดเพราะฉะนั้นความเป็นทุกข์ก็คือสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งคราวนี้เพื่อจะชี้ให้ชัดว่าเป็นทุกข์อย่างไรจึงมาถึงข้อสามความเป็นทุกข์คือปรินามะ ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ก็เพราะว่าขึ้นชื่อว่าสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งดังที่แสดงไว้ในข้อสองนั้นย่อมมีลักษณะของสิ่งผสมปรุงแต่งอันเรียกว่าสังคตะลักษณะเป็นสาม คืนหนึ่งอุ ป, ปาโดปัญญาญติความเกิดขึ้นปรากฏสองวโยปัญญาญติความเสื่อมสิ้นไปปรากฏข้อสติฏฐะอัญญะถตังปัญญาญติเมื่อยังตั้งอยู่ความแปรรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นปรากฏ คือความเป็นอย่างอื่นปรากฏเพราะฉะนั้นสังขารซึ่งต้องประกอบด้วยลักษณะทั้งสามนี้จึงรวมเข้าในคำว่าวิปรินามะคือความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเกิดแล้วก็เสริมสิน้นดับนี่ก็เป็นความแปรปรวนเปลี่ยนแปลง ถ้าไม่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงเกิดแล้วก็ต้องไม่เสือมสิ้นไม่ต้องดับแต่เพราะเกิดแล้วก็ต้องแปรก็ต้องต้องต้องเสรมสิ้นจึงชื่อว่าแปรปรวนเปลี่ยนแปลงและเมื่อยังตั้งอยู่ก็เป็นอย่างอื่นไปเรื่อยๆปรากฏเช่นเมื่อเกิดมาเป็นเด็ก ก็แปรเปลี่ยนแปลงจากความเป็นเด็กเล็กเป็นเด็กใหญ่ขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่จนถึงแตกสลายในที่สุดความเป็นอย่างอื่นนี่มีอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุดตั้งแต่เกิดจนถึงดับเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสเอาไว้ว่าเมื่อยังตั้งอยู่ก็มีความเป็นอย่างอื่นปรากฏ รวมเข้าทั้งหมดแล้วก็เข้าในคำว่าวิปรินามะความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นข้อที่สามวิปรินามะทุกขตาความเป็นทุกข์คือวิปรินามะความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงทันระสาลิบุตรสรุปทุกทั้งหมดเข้าเป็นสามทุกดังนี้ขันห้านี้ อันเป็นอุปาทานะขันขันเป็นที่ยึดถือก็ประกอบด้วยทุกขทั้งสามนี้ปือเป็นทุกขขทุกข์เป็นสังขารทุกข์เป็นวิปรินามทุกข์แต่เพราะบุคคลยังมีอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงจึงมีโมหะคือความหลง ยึดถือด้วยอุปาทานคือความยึดถือว่านี่เป็นของเราเราเป็นนี่นี่เป็นอัตราโตนของเราและสิ่งที่ยึดถือนี่ก็มีคําเรียกสั้นอีกหนึ่งอีกคำหนึ่งว่าอุป a ิซึ่งอุปธินี้ข้อแรกก็คือขันธุปัิอุปธิคือขันธ์คำว่าอุปธิ ก็คือสิ่งที่เข้ายึดถือโดยอุปาทานเมื่อเข้ายึดถือด้วยอุปาท า, า, า, านในสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นอุปธิขึ้นมาเป็นสิ่งที่เข้ายึดถือเพราะฉะนั้นเมื่อเข้ายึดถือสิ่งที่เป็นทุกข์วันนี้เป็นของเราจึงเท่ากับว่ายึดถือทุกข์ว่าเป็นของเรา เราจรึงต้องเป็นทุกข์เข้ายึดถือตัวเราว่าเป็นสิ่งนี้ตัวเราที่ยึดถือนี้จึงต้องเป็นอุปธิแล้วก็เป็นทุกข์เข้ายึดถือว่าสิ่งนี้เป็นอัตตาตัวตนของเราจึงได้เกิดอัตรตาตัวตนที่เป็นตัวทุกข์ขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อยังมีอุปาทานความยึดถือ และไม่อุป a ิสิ่งที่ยึดถือกันอยู่ดังนี้จึงไม่พ้นทุกข์ได้และก็ทำให้ไม่มองเห็นว่าเป็นทุกข์เมื่อมองไม่เห็นว่าเป็นทุกข์จึงยึดถือทุกข์จึงต้องเป็นทุกข์เมื่อสิ่งที่เป็นทุกข์นี้เกิดก็ยึดถือว่าเราเกิดแก่ก็ยึดถือว่าเราแก่ตายก็ยึดถือว่าเราตายจึงต้องมีโสก ความโศกบริเทวะความรังเกีคล่าคําควนใจมีไม่สบายกายไม่สบายใจมีคับแค้นใจต้องมีพละดพลาดจากสิ่งที่เป็นที่รักต้องมีประจบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักต้องมีพละดพราดจากสิ่งที่เป็นที่รักต้องมีปรารถนาไม่สมหวังก็เพราะมีตัวปรารถนา ซึ่งเป็นตัญหาความริ้นรนทยานอยากประกอบกับอุปาทานคือความยึดถือดังที่กล่าวมาเป็นอุปาทานอุปัติขึ้นมาจึงต้องเป็นทุกข์และไม่พ้นทุกข์ได้และไม่มองเห็นว่าเป็นทุกข์เมื่อไม่มองเห็นว่าเป็นทุกข์ก็ยังยึดถือทุกข์อยู่ไม่ปล่อยทุกข์เหมือนอย่างเมื่อกำก้อน ถ่านไฟไว้ในมือไฟก็ไม่มือร้อนแต่ก็ไม่เห็นว่าเหล็กกําก้อนถ่านไฟไว้ก็ยังกําอยู่นั่นเองแล้วก็ร้องกันว่าร้อนอยู่ร้อนแต่ก็ไม่ปล่อยก้อนถ่านไฟก็ไม่พ้นจากความร้อนได้อันนี้ก็เพราะเหตุว่าไม่เห็นทุกพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้เห็นทุกว่าเป็นทุก ไว้ด้วยปริยายคือทางเป็นอันมากจึงต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นสาระคือเอาธรรมะที่ทรงสั่งสอนนี้มา ล, ลึกตรวจตราพิจารณาให้มีสติอยู่ในธรรมที่ทรงสั่งสอนเสมอและนำเข้ามาดูที่ตนให้มองเห็นขันห้าติดตนให้มองเห็นทุกข์ที่ตน และเมื่อเป็นดังนี้ทุกก็จะปรากฏขึ้นโดยลำดับก็จะเห็นทุกข์ขึ้นโดยลำดับและก็จะปล่อยวางทุกข์ขึ้นโดยลำดับต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป